ยมป่วยแล้วยมไปบ้านนานแล้วเียบกาย ไ, ได้ป่วยเวเข้าเดี๋ยวออกอยู่นี่แหละไม่มีอะไรยุติดอกมันยุติพร้อมๆกันนั่นแหละยุติพร้อมกับไฟนั่นะเนี่ยว่าเราไม่ว่าท่านหละ มันดำเนินไปตามคติของมันร่างกายของใครของเราของเราของท่านเนี่มันดำเนินลักษณะอาการความเป็นอยู่ความเป็นไปตามคติของมันคาว่าคติคติคือที่ไปที่เป็นที่ไปของมันถเรียกว่าคติคติคติของมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เหตุปัจจัยของมันก็เป็นสิ่งรวมกันเป็นสิ่งประกอบกัน <Yeah. S 1> เหตุปัจจัยของมันก็คือ <Yeah. S 1> ไม่เที่ยงไม่คงทนแปรปรวนสลับสับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัย <Yeah. S 1> ไปตามภาวะแวดล้อม <Yeah. S 1> ในเมื่อปัจจัยต่างๆเหล่านี้เปลี่ยน สังขารร่างกายก็ต้องเปลี่ยนที่ท่านเรียกว่าไม่เที่ยงไม่คงที่ร่างกายไม่คงที่เพราะเหตุปัจจัยมันไม่คงที่ทำไมเหตุปัจจัยมันไม่คงที่ขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วเนี่ยไม่มีอะไรคงที่มันไม่คงที่ในตัวของมันใ น, นเมื่อมันประกอบกันแล้วเนี่ยมันดำเนินเป็นไปตามคติของมันมันดำเนินไปยังไง มันเหมือนกับมันเป็นกระแสชีวิตกระแสหนึ่งถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกระแสน้ํากระแสหนึ่งกระแสน้าที่ไหลมันก็ไหลเอื่อยไหลเรื่อยไหลเฉยไปตามไปตามอํานาจของกระแสนั่นแหละมันไหลไปอย่างนั้นแหละมันกลายเป็นระบบกลายเป็นกลไกของมันเราไม่ต้องดูอย่างอื่นเราดูที่ร่างกายของเราเนี่ยเราดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนี่คือมันไหลไปตามภาวะของมัน เราไม่ไม่หายใจได้ไหมก็เป็นการเป็นคราวได้หมดกลั่นได้ครึ่งนาทีเก่งที่สุดแล้วครึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะนับว่าเก่งมากแล้วละกลั่นลมหายใจการที่เรากลั่นลมหายใจเท่ากับว่าเราไปปิดกันกนดก้นกระแสนั่นแหละปิดกั้นกระแสของน้ำโดยปกติมันดำเนินการไหลเวียนไปตามหน้าที่ของมัน แต่เราไปกั้นให้มันหยุดให้มันชะลอให้มันชะงักแต่ในขณะที่เรากั้นไม่ให้มันไหลไปมันก็จะไม่ไหลไปเฉพาะน้ําแต่ส่วนอื่นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นอยากเราเห็นกระแสน้ําไหลเนี่ยเอากระแสน้ำเล็กๆกระแสน้ำเล็กๆสมมติเราเล่นแบบภาษาเด็กๆกระแสน้ําเล็กๆเราเอามือเราตีนไปกั้นเอาไว้เนี่ยน้ํามันก็ไม่ไหลไปก็จริงอยู่แต่เหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนให้เราเห็นต่อหน้านั่นแหละ มันเปลี่ยนให้เราเห็นยังไงไอ้ที่มันไหลไปสม่ําเสมอของมันเนี่ยมันก็หยุดไหลน้ําข้างล่างก็เริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มแห้งเริ่มขอดไปแต่ในขณะเดียวกันน้ํำข้างบนมันก็เออขึ้นเออขึ้นเออขึ้นเออขึ้นเออขึ้นทั้งหมดนั่นแหละคือภาวะที่มันมันไม่คงที่มันไม่คงที่ของมันทั้งหมดนั่นแหละอัตภาพร่างกายของเรามันไม่ไม่คงที่ดาเนินไปตามคติของมันตามเหตุตามปัจจัย เรื่องของสังขารแต่ละสังขารเนี่ยสังขารทั้งหลายทั้งปวงอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งเหตุปัจจั ย, จ ย, จยนั้นเป็นหลักธรรมชาติของมันเองเป็นหลักธรรมชาติของสังขานเองมันปรุงเองมันแต่งเองมันเป็นเองเหมือนอย่างที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังอยู่บ่อยครั้งเข้าสังขารพ่อกับสังขารแม่ประกอบกันเนี่ยทําให้เกิดสังขารของเราขึ้นมาในในท้องแม่ นับตั้งแต่ประกอบกันเนี่ยหลังจากประกอบกันแล้วเนี่ยที่จะให้มันคงที่เท่าเดิมมันไม่คงที่แหละมันจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อเปลี่ยนตัวเองทํำไมถึงเปลี่ยนตัวเองเพราะเหตุปัจจัยมันดันอยู่ทุกระยะทุกเวลามันดันมันสับเปลี่ยนไปตามกระแสของมันกระแสของสังขารมันมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ไม่คงที่ ความไม่คงที่ของมันเนี่ยทนวะทุกนั่นแหละคือภาวะของความเป็นทุกข์แล้วก็ความเปลี่ยนไปของมันน่ะเป็นอนิจจังความไม่คงที่ความไม่คง ท, คมมงที่นี่เป็นกองทุกข์เป็นเป็นภาะวะของความทุกข์ความเปลี่ยนไปของมันน่ะเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์นี่คล้ายๆกันใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเห็นอย่างหนึ่งกันถือว่าเห็นเห็นทั้งสองอย่างเห็นทุกข์ขัง ก็เท่ากับเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังก็เท่ากับเห็นทุกขงังเพราะกิริยามันเปลี่ยนไปจากทุกขงังเปลี่ยนจากทุกขังไปก็ไปเป็นอนิจจังและลักษณะการเปลี่ยนของทุกขังก็ตามของอนิจจังก็ตามเลยไม่มีใครไปปกป้องมันได้ไม่มีใครไปบีบมันได้บังคับบัญชามันได้คิดนึกทาอย่างไรอย่างหนึ่งให้เป็นไปตามที่ใจเราหวังเนี่ยเราทาไม่ได้ภาวะ อันนี้ต่างหากที่ท่านเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือภาวะที่บังคับไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ท่านว่าอนัตตานี่เราพูดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเราของพวกเราของเราของท่านเนี่ยมันก็เปลี่ยนประโยชน์อย่างนี้แหละความเปลี่ยนอันนี้ที่เราพูดมาเราคุยมานี่ก็เป็นความนึกความคิดเป็นความรู้ความเห็นพื้นฐาน ที่เราจะนําไปสู่ความแจยมแจ้งในอัดในธรรมถ้าเราไม่มีสี่เหล่านี้เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานแล้วจะทําให้เราเข้าใจธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปนะั่นเข้าใจได้ยากในเมื่อเราจับเส้นสายมันไม่ถูกเราจับเส้นสายมันไม่ได้แต่โอกาสที่เราจะเอาจิตมันนึกมาคิดมาหมุนอยู่กับตรงนี้ได้อย่างละเอียดอ่อนถี่ถ้วนนั่นนะ่ะบางทีกระแสะของกิเลสมันก็ขัดแย้งเราเหมือนกันกระแสะของกิเลสก็คือความทะลักของใจ มันเกิดขึ้นจากความอยากภายในหัวใจนั่นนะอยากดิ้นรนไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องตามอำนาจความอยากที่มันดิ้นรนตามที่มันพอใจมันดิ้นรนไปตามอำนาจของมันดิ้นรนไปอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นเหตุได้มาซึ่งความยินดีเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความยินร้ายเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งราคะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโทสะเป็นเหตุให้ทาอะไรแบบไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผลนะไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยไม่รู้ผลที่จันเรียกว่าความหลงความหลงหลงความหลงคืออะไรหลงคือไม่รู้เหตุไม่รู้ผลคือไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยอย่างที่เขาว่าคนไม่มีเหตุผลนั่นแหละพูดไปพูดไปคนนี้ไม่มีเหตุผลคำว่าไม่มีเหตุผลนั่นะคือความไม่รู้จับเหตุอะไรคือเหตุอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลจันเรียกว่าไม่รู้จับเหตุผล คนไม่มีเหตุผลก็คือคนไม่ไม่เข้าใจเหตุผลไม่รู้เหตุผลเขาเรียกว่าคนไม่เข้าใจเหตุผลไม่มีเหตุผลเี่ยแทย้จริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลในตัวของมันแต่โดยเหตุที่เราพูดเหตุผลไม่ถูกท่านจึงว่าไม่มีเหตุผลบางทีจับอดีตว่าเป็นปัจจุบันบางทีจับปัจจุบันว่าเป็นอดีตเนี่ยบางทีกับตั้งสมมติฐานในปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นอดีต ปฏตกอดีตเอาอดีตเป็นปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นอดีตรหรือถ้าจะว่าประเพียงหนึ่งเ็าเอาเหตุเป็นผลเอาผลเป็นเหตุเลยมีการพูดกันมีการเข้าใจกันแล้วก็ผิดกันที่เขาเรียกว่าคนไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยนักปฏิบัติเราเราจะต้องย้อนไปเราจะต้องย่างไปที่เหตุผลที่ชัดเจนที่แท้จริงสมมุติอย่าร่างกายเราอยู่ได้เพราะลมปรนปลือเช่นอย่างลมลมหายใจเข้าหายใจออก เราก็ดูไปที่ต้นต่อของลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกแท้จริงหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นเหตุผลให้ร่างกายนี้อยู่ได้ก็จริงอยู่แต่ในภายในนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลมันเกี่ยวข้องกันเราก็ดูไปที่ระบบที่กลไกของมันอันนี้เราดูเพื่อเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานง่ายๆเบื้องต้นในการมาดูมานึกมาดูมาพิพิจารณาอัตภาพร่างกายของเรา เช่นอย่างเราดูไปที่ปอดมันทํางานหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันบีบเข้าบีบออกบีบเข้าบีบออกเป็นการดึงลมเข้าดึงลมออกดึงลมเข้าดึงลมออก <ắng. S 1> แต่มันก็มีความหมายในตัวเข้ามานันอีกว่าทําไมมันถึงบีบเข้าบีบออกผีบเข้าบีบออกด้วยเหตุที่ร่างกายของเราเป็นกระแสที่เราเรียกว่าชีวิตชีวิตดินซีอานาจความเป็นใหญ่ของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงเกาะกลุ่มกันอยู่ได้ กากลุ่มกันอยู่ได้เลยกลายเป็นระบบกลายเป็นระเบียบเป็นกฎเป็นเกณฑ์ของธรรมชาติในกายของเราเนี่ยมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระบบเป็นระเบียบของมันเนี่เป็นมันเป็นภาวะที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันทั้งนั้นตัวเหตุตัวปัจจัยตัวโครงสร้างของมันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าได้แก่ดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟโครงสร้างของอัตภาพร่างกายของเรา่อย่างที่โครงใหญ่ ที่เรามองเห็นกันง่ายๆคือโครงกระดูกตั้งโครงกระดูกขึ้นมามีเส้นมีเอ็นรึงรัดกระดูกจากนั้นแล้วก็มีเนื้อเ <c oughs> กาะกลมตามส่วนต่างๆของอัตภาพร่างกายตั้งแต่เบื้องล่างตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาถึงเบื้องบนถึงปลายผมเนี่ยมีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกมีอะไรรองรับกันอยู่เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนไป ตามระบบระเบียบของการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่มันก็มีมันก็เปลี่ยนไปตามภาวะของมันมันมีอยู่มันเป็นอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเราจะแยกแยกส่วนละเอียดส่วนปลีดส่วนย่อยแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันทั้งนั้นเลยดินน้ำลมไฟธาตุดินก็คือแข็งแข็งธาตุน้ำก็คือซึมซาบเอิบอาบธาตุลมก็คือพัดขึ้นพัดลงพัดขึ้นพัดลงลมหายใจเข้าหายใจออกลมพัด ในตัวลมในท้องลมในไส้นี่มันเกี่ยวข้องกันหมดธาตุสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นมูลเดิมของโลกธาตุดินก็เป็นมูลเดิมของโลกธาตุแลล ว, ว่ามูลเดิมถ้าเรียกว่ามูลเดิมธาตุลมก็เป็นมูลเดิมของโลกธาตุไฟก็เป็นมูลเดิมของโลกดินน้ําลมไฟมาเกาะคุมกันอยู่ในอัตภาพร่างกายเป็นตัวตนของเราของท่านนี่มันเกาะคุมกันได้อยู่ด้วยอํานาจของกรรม กรรมของเราแหะกรรมของเราเป็นเหตุให้เรามาปฏิสนธิมาถือกําเนิดในท้องแม่และมาจับจองเอาอัตภาพร่างกายนี้อันนั้นเป็นส่วนนามนธรรมมันเป็นส่วนของนามนธรรมที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรตอนไหนกับไหนกันไหนการใดเราก็ไม่ทราบเราทราบไม่ได้ว่าแต่ว่าเกิดขึ้นใจเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไร่เราทราบไม่ได้ ที่ตะว่า น, นามธรรมนามธรรมเกิดขึ้นต้นไม่ปรากฏท่ามกลางไม่ปรากฏแล้วก็เบื้องปลายไม่ปรากฏธาตุรู้เนี่ยมโนธาตุเนี่ยธาตุรู้แต่ว่าเวลาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีสิ่งมีสภาพที่พาให้เร้าหมองติดมาด้วยที่ตะเรียกว่ากิเลสกิเลสเกิดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยส่วนนามธรรมกิเลสตัณหาอุปาทานเย อวิชชาตันหาอุ sugars, ปาทานพอย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปรู้ใจเจ้าท่านทรงตรว่าอวิชชาอวิชชาตันหาอุปาทานเป็นเหตุให้เรายึดเป็นเหตุให้เราถือเป็นเหตุให้เราเกาะกลมภาวะปัจจุบันภาวะปัจจุบันตากระทบรูปรูปที่ล่วงไปแล้วก็เป็นสัญญาที่ท่เรียกว่ารูปประสัญญาหูกระทบเสียงพอล่วงไปแล้วก็กลายเป็นสัทธะสัญญา จมูกกระทบกลิ่นพอเวลาล่วงไปแล้วก็เป็นทันทะสัญญาลิ้นกระทบรสพอเวลาล่วงไปแล้วมันก็เป็นระสะสัญญาสัญญาก็คือภาวะดั้งเดิมของวัตถุแต่ละอย่างแต่ละอย่างกระทบกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งพอกระทบล่วงไปแล้วกลายกลายเป็นสัญญาสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้ความหมายรู้ตัวนี้รวมไปถึง หมายให้เป็นอย่างนั้นหมายให้เป็นอย่างนี้กะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนี้นี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกลเป็นกลไกในการทํางานของรูปธรรมกับนามธรรมเพื่อสัมผัสสัมพันธ์กันเราทําให้ร่างกายกับจิตใจของเราเนี่ยทำงานประสัประสานกันไปอย่างสัมผัสสัมพันธ์นี่อันนี้คือธรรมชาติของชีวิตของของคนเรานี่ความเกิดขึ้นของนามธรรมความเกิดขึ้นของรูปธรรม แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็งอสสาศัยเหตุอสสาศัยปัจจัยทีนี้การได้รูปธรรมนี่การได้รูปธรรมก็ต้องอสสาศัยเหตุปัจจัยมาจากนามธรรมเช่นเดียวกันนามธรรมก็คือจิตใจเนื่องจากว่าจิตใจเรามีกิเลสจิตใจเราเป็นกิเลสเราทําดีบ้างเราทําชั่วบ้างเราก็ได้ประสบความสุขบ้างได้ประสบความทุกข์บ้างบางการบางคราวเราทําสิ่งนี้เป็นเหตุให้เราได้รับความสุข เป็นเหตุให้ตัวเองได้รับความสุขได้รับความเจริญเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับความสุขเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับความเจริญเราก็ยินดีเราก็พอใจเราก็เพลินใจช่วยทําสิ่งนี้มากๆทําเหตุปัจจัยส่วนนี้มากๆเพื่อตัวเองได้รับความสุขความเจริญเพื่อเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับความสุขความเจริญเราก็ทําไปทําเพื่อตัวเองบ้างทําเพื่อคนอื่นบ้างอันนี้เข้ากับลักษณะคือภาวะที่ท่าเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล เราทำไปแล้วกลายเป็นบุญกลายเป็นกุศลกลายเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นพบชาติพบภูมิต่างๆที่เราเกิดขึ้นที่เรามีขึ้นจึงไม่คงที่จึงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามกําลังของกรรมอันนี้แหละกําลังของกรรมที่เราสะสมเนี่ยสะสมดีบ้างชั่วบ้างนี่แหละในความชั่วเราไม่ต้องการบางครั้งเนี่ยเราต้องการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามใจชอบตามใจหวังเอาให้ได้อย่างใจ แต่พอทำไปแล้วเป็นเหตุกระทบกระเทือนตัวเองบ้างกระทบกระเทือนคนอื่นบ้างยิ่งทำไปมากเท่าไหร่ก็กลายเป็นวิบากกรรมคนที่ตามมาคื อ, คอกระทบเราบ้างกระทบเขาบ้างถ้าจงใจทำให้กระทบคนอื่นมากน้อยเท่าไหร่ก็กลายเป็นวิบากกรรมที่เป็นส่วนอะกุศ ล, ลกรรมอันนี้เป็นฝ่ายชั่วเราจะเห็นว่าความดีทั้งความดีทั้งความชั่วน่มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากความยินดีจากความไม่ยินดีเกิดขึ้นจากความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์มีจิตใจประสบพบกุศลกรรมและอกุศลกรรมภายในจิตและก็ตามประกอบกรรมเอาใครสั่งสมกุศลมากคนนั้นก็มีจิตเป็นกุศลมากเมื่อจิตเป็นกุศลมากก็จะอำนวยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามอำนาจของความดีเช่นอย่างได้ภบภูมิที่ดีเนี่ยได้พบภูมิที่ดี มาเกิดเป็นมนุษย์บางทีก็มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันนั่นแหละโดยวิบากกรรมที่ส่งผลให้เราได้รับความสุขความสะดวกสบายก็ทําให้เรามีความสุขมากกว่าคนอื่นมียศมากกว่าคนอื่นมีเกียรติมากกว่าคนอื่นมีหน้ามีตามากกว่าคนอื่นมีสติปัญญาดีกว่าคนอื่นความเจ็บไข้ใดป่วยน้อยรองมีคนนับหน้าถือตามีคนเคารพยกย่องสรรเสริญอย่างที่เราเรียกว่าคนดีคนดีคนมีบุญคนมีวาสนา เรื่องจะว่าเราประกอบเราสังสมเข้ามาแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นเรานึกเราคิดในแนวนี้ในแถวนี้มันเป็นการนึกคิดเพื่อระลึกถึงหลักภาวะธรรมชาติที่เรามีอยู่ที่เราเป็นอยู่ะจะทําให้เรานี้ไม่ลืมตัวแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นไปเรื่อยๆเข้าใจทั้งภาวะที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจทั้งภาวะที่เป็นนามธรรม เป็นการรู้จักตัวเองเป็นการรู้จักคนอื่นเป็นการรู้จักพื้นเพจริตนิสัยของคนอื่นพื้นเพจริทนิสัยของตัวเองแล้วก็รู้จักเลือกปฏิบัติในทางที่ดีที่งามที่ถูกต้องรู้จักผ่อนรู้จักปลนรู้จักผ่อนสั้นรู้จักผ่นยาวรู้จักทำไงความโลภจะเบาบงลงไปความโกรธความอาฆาตมาตรายความจริงชังอิจฉาริษยาการก่อกรรมทาเข็ญ เป็นเวรเป็นภัยเป็นวิบากรรมกันและกันะถึงจะเบาถึงจะบางเพื่อเราได้รับความสุขความเจริญเพื่อเขาได้รับความสุขความเจริญคนมีปัญญาโดยศีลโดยธรรมเท่านั้นเมื่อทําไปแล้วทําให้เกิดผลเกิดขึ้นมาตรงนี้อืเป็นเฮตุตัวเองมีความสุขมีความเจริญไม่มีเวรไม่มีภัยกับคนอื่นเป็นเหตุให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องกับเราก็ได้ผลประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความเจริญ เป็นไปในแนวแถวในทิศทางเดียวกันนี่คือภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นเราจะพิจาราให้รู้เห็นจนเกิดความรู้ ค, ความเห็นแจ่มแจ้งได้เราจะต้องใช้หลักภาวนาการใช้หลักภาวนาก็คือการใช้สติใช้ปัญญามาพินิจพิจรารณามาเพ่งมามองเพื่อหาเหตุหาปัจจัยเหตุปัใจจัยในภายในไม่งั้นเราก็ไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัย ความเป็นไปวันคืนล่วงไปเราก็อยู่ด้วยความล่มหลงล่มหลงอะไรล่มหลงอารมณ์ล่มหล ง, ลงอารมณ์ว่าอะไรเป็นส่วนเหตุอะไรเป็นส่วนผลอะไรเป็นส่วนให้ให้เราได้ทุกข์ยากได้ลำบากอะไรเป็นส่วนให้เราได้รับความสุขได้รับความเจริญมันคิดไม่ได้ลึกไม่ได้บางทีก็ไปทำอะไรจนไม่เข้าหลักที่ท่านเรียกว่าไม่มีเหตุผลกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลคำว่าไม่มีเหตุผล มันเป็นคำพูดที่ทําให้เราต้องไล่แปลอีกคือคนไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรเป็นผลมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุจะยังผลให้เกิดขึ้นอย่างไรนี่คือคือมันไม่เข้าใจอืมอย่างที่พูดผ่านไปแล้วนั่นแหละในเมื่อไม่เข้าใจก็ไปตั้งสมมุติฐานที่ผิดตั้งสมมุติฐานที่ผิดผิดยังไงผิดจากหลักความเป็นจริงของหลักธรรมชาติเช่นอย่างสมมุติฐานอันนี้ที่เราจะทําลงไปนี้ เราคิดสําคัญมั่นหมายว่าในเมื่อเราทําลงไปแล้วเราประกอบลงไปแล้วเราสําคัญว่าเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความยากความลําบากาเช่นอย่างถ้าพูดถึงกุศลกรรมบทสิกับอกุศลกรรมบทสิ บ, บ, รร บ, สบ น, น, นั้นแหะนี่แหละคือตั้งการตั้งสมมติฐานที่ผิดเราสําคัญว่าสิ่งนี้ถ้าเราจะประกอบลงไปแล้วจะเป็นเหตุให้เราได้กุศลเช่นอย่างอากุศลกรรมบทเนี่ย ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พระพฤติภิกายนามจะเรียกว่าอคุสุลกรรมบทอคุสุลกรรมบทนี่เป็นส่วนกายที่จะเรียกว่ากายกรรมเอากายนไปฆ่าสัตว์นีเอากายไปฆ่าสัตว์เราคิดว่าสนาองความอยากของเราสนาองความต้องการของเราเราคิดว่าท we way, ําไปแล้วเป็นเหตุให้ร่างกายเราเจริญจิตใจเราเจริญคนอื่นเจริญแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดูให้ชัดเจนลงไปก็ ي, ไม่มีอะไรเจริญ เ, เป็นการทําลายตนเองเป็นการทําลายคนอื่นฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกันลักทรัพย์ก็คือไม่ถือสิทธิของเจ้าของอพอแย่งก็แย่งพอชิงก็ชิงพอลักพอขโมยพอตะบัดช่อโกงทำได้ทั้งนั้นที่ท่าเรียกว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์เสร็จแล้วประพฤติผิดในกรามบรรณากรมทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะสิน5ห้าข้อสามเนี่ยประพฤติผิดในกรามก็คือประพฤติผิดลูกเขาผิดเมียเขาคือล่วงละเมิด ในบุคคลที่มีมีเจ้าของเช่นคนนั้นเขามีผู้ปกครองมีพ่อมีแม่แต่เราก็ไปล่วงละเมิดเขามีสามีเขามีภรรยาแต่เราไปล่วงละเมิดการล่วงละเมิดทั้งนี้เราสําคัญว่าจะเป็นเหตุให้เรามีความสุขจะเป็นเหตุให้ให้เขาที่เกี่ยวข้องกับเราน่ะมีความสุขสิ่งที่มันปลุกปลอบใจให้เราสําคัญมั่นหมายเช่นนี้คือกิเลสกิเลสมันคิดอะไรเพื่อที่จะเอาอย่างใจจะเอาอย่างใจอย่างเดียว ไม่ได้คำนึงถึงเหตุปัจจัยที่จะนำฟืนนำไฟม า, มาสู่จิตใจของเราในที่สุดเราก็หลงตัวแล้วประกอบตามมันไปมันไม่ต่างอะไรเอามือไปจับไฟเอามือไปต้องไฟตัวเราเองก็ร้อนเดือดร้อนคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราสมมติเราเป็นผู้ชายผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็ทุกข์สมมติเราเป็นผู้หญิงผู้ชายมาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็ทุกข์ในที่สุดท่านบอกว่าเป็นการเอาฟืนเอาไฟ มาเผาตัวเองเนี่ยประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นไปตามทำนองคลองทำคำว่าทานองคลองทำก็คือเราสามารถจะเกี่ยวข้องได้กับสามีภรรยาเราสามีมีสิทธิในภรรยาภรรยามีสิทธิในสามีแต่ไม่มีกับคนอื่นสามีมีสิทธิในภรรยาของตัวเองแต่ไม่มีสิทธิในภรรยาของคนอื่น นี่ในเมื่อเราล่องละเมิดปั๊บเราล่องละเมิดก็คือผิดทำนองครองทำประพฤติผิดในการมที่จะเรียกว่าประพฤติผิดในการมเนี่ยแทนที่จะได้รับความสุขความเจริญก็ได้รับความร่าเรอนไม่ต่างอะไรกับเอาฟืนเอาไฟมาเผาใจตัวเองทุกวันเวลานาทีเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะเบาะแว้งเท่ากับเอาไฟมาสุมหัวหัวใจของตัวเองทุกระยะทุกเวลาเนี่ย มีความสำคัญมั่นหมายการสําคัญมั่นหมายตั้งสมมติฐานที่ผิดสําคัญว่าจะเป็นเรื่องดีนําสุขนําเจริญมาให้อันนี้กิเลสมันพาตั้งแต่ถ้าทำพาตั้งเป็นไงท่านบอกว่าไม่ฆ่าศัตว์เนี่ยถ้าพูดถึงทมแล้วก็คือมีปฏิปทามีข้อดําเนินมีทางปฏิบัติมีข้อบ่องบอกชัดเจนว่ามีข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ฉันยังไม่ฆ่าสักตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพฤติผิดในกรรมท่านเรียกว่ากุศลกรรมบดคําว่ากรรมบดกรรมบดก็คือเป็นที่เดินเป็นทางเดินบอใบไม้ถอถุงบทตัวนี้แปลว่าทางเดินกรรมบดคือทางเดินของกรรมอันนี้เราพูดแค่กายกรรมนะสามมิกรรมกายกรรมสามมิตกรรมสี่จะอย่างเป็นกุศลกรรมบดก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโพสเจอ แต่ถ้าเป็นวจีทุจดิตก็เป็นพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพย์เจอพูดปดพูดโกหกพูดหยาบพูดเท็จพูดเพย์เจอพูดหยาบนี่ก็คือกิเลสมันมันพาให้ตั้งสมมุติฐานให้พูดหยาบโดยที่เราสําคัญว่าจะได้รับความสุขความเจริญแท้จริงก็คือไม่พูดหยาบมีสติกํากับรู้พร้อมว่าเออพูดอย่างนี้หยาบไม่พูดพูดส่อเสียด พูดสอเสียดก็คือพูดเจ็ดเฉียดพูดเสียดเสียดพูดเสียบเสียบพูดคุยคุยเขี่ยเขี่ยทำให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราได้ยินได้ฟังเข้าแล้วเหมือนกับไปตะกุยเหมือนกับไปเก่าแผลของเขานัแหละให้เขาเจ็บเขาปวดขึ้นมานี่ทะเลาว่าพูดสอเสียดพูดสอเสียดยุยงส่งเสริมในเรื่องที่ไม่ดีพูดเท็จพูดยาพูดสอเสียดพูดเฟอรเจอพูดเกินเหตุเกินผลพูดหยาบคาย พูดตลกขนองในสิ่งที่ไร้สาระอันนี้เป็นอกุศลกรรมบทเป็นทางเดินที่ไม่ดีเราก็ตั้งสมมติฐานในส่วนที่เป็นอกุศลว่าเป็นกุศลเสร็จแล้วเราดําเนินตามเราสําคัญว่าจะได้รับความสุขความเจริญในที่สุดก็ได้รับความร่ารอนมโนกรรมก็เช่นเดียวกันกายกรรมสามปีกรรมสี่มโนกรรมสามละจำอย่างนี้เราจำํำง่ายเพราะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องกายกรรมว่จีกรรมมโนกรรมมันเป็นข้อปฏิบัติกำกับพวกเราท่านทุกๆคนเนี่ยถ้าเผื่อเราสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติเราจะต้องมีอันนี้เป็นทางเดินไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกตามทํานองคลองทำอันนี้เป็นกุศลกรรมบทเป็นมโนกรรมแต่ถ้าเป็นอกุศลนั่นเป็นไงฮะโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทานองคลองธทำ นี่เป็นเรื่องของการประกอบกรรมลงไปกิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันพายเราตั้งสมมุติฐานคิดว่าโลภอยากได้ของเขาน่ยจะมีความสุขก็ตั้งใจโลภคิดนึกที่จะเอาอย่างงั้นที่จะเอาอย่างนี้ญาบาตปองร้ายเขานั่งคิดนั่งนึกอยู่คนเดียวนี่แหละคนนั้นทําให้เราเครียดแค้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปไม่มีทางออกอยากจะลบล้างบุคคลคนนี้ให้หมดไปจากโลกที่จะเรียกว่าพยาบาตพยาบาต ยาบาดก็คือไปคุยเขีย่ยเอาเรื่องเก่าขึ้นมาคิดนึกต่อเติมเสริมแต่งกําลังให้กับใจทําให้ใจคิดนึกไปแบบหาจุดจบหาจุดจบก็คือคิดที่จะทําลายล้างในที่สุดก็ทําลายล้างที่เขาเรียกว่าฆ่าแกงกันนั่นแหละอ่จุดจบก็คือเอาตรงนั้นเก็บ เ, เลยไปงั้นเะอื่นี่ก็คืออะไรคิดว่าจะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขความเจริญแท้จริงในขณะที่เรานึกเราคิดนี่ เราก็ได้รับความทุกข์แล้วได้รับความทุกข์ได้รับความเร่าร้อนภายในใจแล้วแหละเนี่ยทั้งโลภอยากได้ของเขาทั้งพยาบาทปองร้ายเขาเนื่องจากว่าเราเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมอ่าเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปทำเหตุให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากถึงขนาดนั้นก็ตามเห็นผิดไปว่าจะได้รับความสุขแลืจะได้รับความเจริญ ตามหลักเหตุผลแล้วเหตุอย่างใดผลก็ต้องได้รับอย่างนั้นเพราะว่าเหตุกับผลนี่จะต้องเดินตามการตลอดทําเหตุให้ทุกยากให้ลําบากเวลาผลตามมาก็คือเราจะต้องได้รับความทุกข์ความยากความลําบากทําเหตุให้ได้รับความสุขให้ได้รับความเจริญเช่นอย่างไม่โลภไม่พยาบาทไม่ปองร้ายเห็นถูกต้องทําตําน่งคลอง ค, องคําเห็นจริงตามที่มีจริงตามที่มีอยู่จริงจากการสัมผัสสัมผันสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ เห็นจริงยังไงก็นึกคิดพิจารณาไปตามหลักความเป็นจริงนี่จะเรียกว่าเห็นถูกต้องตา ม, ท, า ท, ามทํานองครองทำคำว่าทานองครองธทมก็คือเป็นไปตามหลักของเหตุของผลเป็นไปตามหลักของธรรมชาติเป็นไปตามหลักของเหตุของผลเหตุผลมีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเราก็าเข้าใจถึงเหตุผลของสิ่งนั้น น, นสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้น จิตใจยอมรับตามภาวะที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงที่ท่านเรียกว่าเห็นถูกต้องตามทํานองกรองธรรมก็คือเห็นเหตุปัจจัยที่แจมแจ้งว่าเหตุนี้เหตุนี้เราประกอบลงไปแล้วจะเป็นผลให้เราได้รับความสุขความเจริญอย่างนี้อย่างนี้นี้เราก็ตั้งใจประกอบไปเหตุนี้เป็นเหตุให้ทุกข์ยากลําบากในเมื่อเราประกอบลงไปแล้วเราจะต้องเร่าร้อนกระวนกระวายภายในหัวใจอย่างแน่นอนนี่เรียกว่าเห็นตรงตามเหตุตามปัจจัยของมัน สิ่งเหล่านี้มันจะพันกายกรรมไว้จีกรรมมโนกรรมของเราถ้าเราพยายามสํารวจตรวจตรานึกคิดพิจารณาอยู่บ่อยครั้งเข้าเหมือนว่าเราพยายามซักฟอกตัวเองจําระขัดเกลากายกรรมของเราให้กายกรรมของเรานี่บริสุทธิ์คือสามารถทํากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ไม่สามารถจะเอากรรมของตัวเองไปปนเปื้อนกับกรรมของคนอื่นไม่สามารถจะไปดึงกรรมของคนอื่นมาแปดเปื้อนกับกรรมของตัวเอง มองเห็นความบริสุทธิ์ภายในใจของตัวเองที่เขาเรียกว่าสามารถรักษากรรมของตนเองให้บริสุทธิ mm ์อ hmm. ืโดยปกติกรรมของใครของเราไม่มีใครสามารถจะทํากรรมให้กับตัวเราได้เราทําเอาเองทั้งนั้นเลยกรรมแต่ละอย่างกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมไม่มีใครทําให้เราเราทําเอาเองทั้งนั้นการที่เราสําคัญว่าคนอื่นทําให้เรานั่นนะคือการเข้าใจผิดสําคัญผิด ที่ว่าเรื่องนั้นเน่ยคนนั้นทําให้เราเรื่องนี้คนนี้ทําให้เราเช่นอย่างเขาพูดเสียดสีพูดเปรียบเปลยพูดกระซิบกระซาบกระทบกระเทียบได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอะไรบ้างเราไม่เข้าใจกับคําว่าได้ยินเราไม่เข้าใจแล้วนะพอกิเลสมาสวมลอยปั๊บนึ่งทําให้เราคิดคิดตามคิดตะลิดเปิดเปิงไปละโอ้ยคนะงด่าเราคงนินทาเราคงเอาเรื่องเราไปเปิด คงเอาเรื่องเราไปกล่าวเท็จใส่คนนั้นใส่คนนี้ให้เขาดูถูกให้เขาเครียดแค่ให้เขาชิงชังภาษาทุกวันเขาเรียกอะไรเขาเรียกดิสเครดิตอะไรนะ่าเป็นการพูดกดให้คนนั้นต่ําลงเป็นการพูดกดให้คนนั้นเลวลงเนี่ยเราก็นึกคิดไปไงี้แท้จริงการที่เรานึกเราคิดไปเกินเหตุเกินผลนั่นแ่ะมันเป็นการสร้างกรรมเอาเองตัางหานี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าคนอื่นทําให้เราไม่ได้เราไปสร้างไปทําเอาเอง เพราะฉะนั้นเราอย่าไปโทษว่าคนนู้นทํากรรมให้เราคนนี้ทํากรรมให้เรากรรมทั้งหลายทั้งปวงเราทําเอาเองเรารับมาเองจากตาหูจมูกลิ้นไต่ใจจากการน้อมนึกภายในจิตในใจของเราเราพยายามศึกษาให้เข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเข้าใจถูกต้องตามทํานองคลองทางสัจตบุรุษทั้งหลายทั้งปวงนั้นสัจตบุรุษก็คือผู้รู้ธรรมผู้มีศินผู้มีธรรม ผู้มีศีลผู้มีธรรมนั้นคือผู้ที่เข้าถึงหลักเหตุหลักปัจจัยหลักเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าเหตุนี้เป็นเหตุกายะสุดจริตวจีสุดจริตมโนสุดจริตพระพฤติด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจไปแล้วเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายเขาไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นได้เห็นได้ยินได้ฟังเขาก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายตรงกันข้ามกับกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต เป็นการประพฤติผิดจากทำนงองคลองธรรมเป็นเหตุให้ตัวเองเล่าร้อนคนอื่นเล่าร้อนทำเหตุลงไปแล้วผลก็ตามมาไม่ต้องสงสัยสัตรบรุตรจักเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสัตรบรุตรคือบุรุษผู้มีศิลบุตรผู้มีธรรมเนี่ยบุคคลเช่นนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงให้ครบสัตรบรุตรคือบุรุษผู้รู้เหตุรู้ผลบุรุษผู้รู้สินรู้ธรรมและบุรุษผู้ละเว้นทุจริต พระพุทธแต่สุดจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่เป็นสัตตบรุษสัตตบุรุษคือบุรุษผู้มีศีลมีธรรมบรุษผู้มีเหตุมีผลบุรุษผู้เข้าถึงหลักภาวะตามความเป็นจริงของกฎของเกมของธรรมชาติทั่วๆไปเรารู้สิ่งข้างนอกแล้วก็นอ้อมเราน้อมสมาธิข้างในเราน้อมมาที่ใจของเราเราจะมีความอย่างรู้เข้าใจแจม่มแจ้งชัดเจนได้ ต่อเมื่อเรามีมีความนึกคิดที่ละเอียดมีสติมีปัญญาที่ละเอียดมีจิตใจที่ละเอียดคือความสงบมีสติมีสัมผชัญนยะคอยกลั่นคอยกรองคอยซักคอยฟอกคอยขัดคอยกล่าวจิตใจดวงนี้ไม่หวังอย่างอื่นไม่หมายอย่างอื่นหมายความบริสุทธิ์คําว่าความบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือรู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอะไรเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ใสสะอาดกระจ่างแจ้งภายในหัวใจก็พยายามจำระขัดกลาวสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นภายในใจของตัวเองน่จากพลังของความสงบท่านจึงให้ภาวนาเพราะการภาวนาเป็นการมหมุนที่จิตจำระที่จิตขัดกลาวที่จิตไม่ส่งจิตล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะเพึงเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนะด้วยหูด้วยจมกูกด้วยลิ้นด้วยกายแม้แต่น้อมนึกทางใจ ไม่หลงเพลินไปกับมันเพราะฉะนั้นท่านให้ทํําทาให้ใจสงบพอใจสงบใจมีพลังใจมีกําลังเมื่อใจมีกําลังก็หัดนึกหัดคิดหัดย้อนหัดยังยังดูกายกรรมของเรายังดูวกี่กรรมของเรายังดูมโนกรรมของเราเนี่ยมันทะลุปลุก ป, ปรองอยู่ข้างในเนี่ยยังอยู่นี่แหละคําว่ายัางก็คือกําหนดย้อนเข้ามาดูจิตของเราในขณะที่เรากําหนดย้อนมาอันเกิดจากอนะ่ะของความสงบสติก็มีอยู่ในนั้น ปัญญาก็มีอยู่ในนั้นสมาธิก็มีอยู่ในนั้นฮิริโอตตะอะไรประกอบกันอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยอมืมันเป็นการมาขัดมากรามาซักฟอกใจของเราการภาวนาเป็นการฟอกใจของเราให้สะอาดฟอกระหว่างกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนี่แหละกุศลกรรมกับอกุศลกรรมเรามีมาเหมือนเหมือนกันคือมีทั้งสองอย่างอย่างนั้นนะ เรามีมาเหมือนๆกันคือมีทั้งสองอย่างเรามีทั้งกุศลกรรมมีทั้งอกุศลกรรมเราเกิดมาเราจะต้องมีด้วยกันทั้งกุศลกรรมทั้งอกุศลกรรมคงจะไม่มีแต่กุศลกรรมจะต้องมีอกุศลกรรมด้วยถ้าเราคิดเทียบตั้งแต่เบื้องหยาบไปถึงเบื้องละเอียดเบื้อ ง, ส, งสูงสูงสุดไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอกุศลกรรมเลยละเอียดบริสุทธิ์ก็คือจิตที่ชำระได้ ขัดเก่าหมดจดแล้วถ้าเราจะเทียบในภพชาติปัจจุบันก็คือผู้ที่ทำลายเหตุปัจจัยอันเป็นอาุศลทั้งหลายทั้งปวงหมดจดสิ้นเชิงได้จากขันทสันดานก็คือชำระกิเลตออกจากใจจนหมดสิ้นว่า ง, งั้นเถอะอากุศโสรกรรมมันถึงจะไม่เกิดขึ้นถึงจะไม่มีขึ้นแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในเมื่อบริสุทธิ์แล้วท่านบอกว่าไม่มีภพไม่มีชาต เป็นจิตที่ฉลาดเป็นจิตที่สว่างสวายรอบรู้เหตุปัจจัยอย่างถ่องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ว่าอันนี้เป็นเหตุนี้อันนี้เป็นเหตุนี้นี่เป็นเหตุนี้ยอมรับภาวะตามที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงทั้งหมดร้อยเปอร์เซนตจิตหมดตัณหาหมดอุปาทานหมดภพหมดชาติไม่มีภพไม่มีชาติเพราะฉะนั้นพวกเรายังมีการเกิดขึ้นพวกเราได้อัตภาพมาพวกเราจะต้องมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลเนี่ยเราจะให้เรานึกคิดแต่กุศล จะไม่สนกับอกุศลจะต้องมานึกมาคิดมาพิจรารณามาภาวนาเพื่อพยายามย้อนมาดูเหตุดูปัจจัยดูหลักธรรมชาติดูภาวะของธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตอเราจะรู้เราจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยในที่สุดเรามากําหนดใจเรามากําหนดกายกําหนดกายก็คือกําหนดทุกกําหนดใจก็คือกําหนดทุกข์เราดูทุกเรากําหนดดูทุกขกําหนดดูกายก็เป็นการกำหนดทุก กำนดูใจก็เป็นการกำหนดดูทุกข์เราดูเพื่อให้เห็นเห็นอะไรเห็นสมุ ท, ทยัยคือเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันก็คือตัณหาภายในใจของเราตัณหาภายในใจเราสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้เพราะมันเกิดที่ใจของเราตัณหาไม่เกิดที่อื่นจะเกิดที่ใจตัณหาจะไม่เกิดที่อื่นจะเกิดที่ใจพอตัณหาถึงใจก่อนพอตัณหาถึงใจก่อน สภาพของกายก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามใจเช่นอย่างตันหาราคะที่ท่านพูดถึงนั่นแหะมันก็ถึงใจก่อนใจนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งไปอะไรสารพัดเกิดขึ้นที่นามธรรมก่อนเสร็จแล้วรูปธรรมถึงคอยกําเริบเสบสารตามลงไปเพราะอะไรเพราะร่างกายเนี่ยเป็นรูปธรรมจิตใจนึกคิดสัมผัสสิ่งที่เป็นนามธรรมอันเป็นส่วนตันหา ทีเะะ่เป็นการมตัญหาก็ตามภวตัญหาก็ตามวิภาวะตัญหาก็ตามเป็นการทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันเป็นสะพานเชื่อมแก่กันและกันเพื่อเสพความสุขเสพไปที่ไหนเสพไปที่กายหรือเสพไปที่ใจแท้จริงสัมผัสสัมพันธ์กันเป็นสะพานเชื่อมโยงกันเพื่อความสุขเพื่อใจได้รับความสุขอกาย กับใจทำงานร่วมกันทำงานประสัดประสานกันเป็นสะพานเชื่อมโยงถึงกันเพื่อความเสพสุขของใจอย่างเดียวเท่านั้นเราพิจารณาดูให้ละเอียดความสุขที่แท้จริงเกิดที่ไหนเราตามดูดิเกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไปดูเกิดขึ้นที่ตาหรือที่หูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจหรือเกิดขึ้นที่อะไรหลับย้อนไปละย้อนไปมันก็เกิดขึ้นที่ความรู้เกิดขึ้นที่ปูรู้ ร่างกายเป็นทุกข์ใจไม่ยึดไม่ถือเนี่ยร่างกายจะประสบความทุกข์สักเท่าไรก็ตามก็สักเท่าว่าเป็นสภาวะทุกข์เท่านั้นเองไม่มีความทุกข์ถึงใจในเมื่อไม่มีความทุกข์ถึงใจมันก็เป็นผลที่พระอริยเจ้าท่านเสวยอยู่อย่างนั้นอัตภาพ ร, ร่างกายเจ็บไข้ในป่วยเป็นทุกข์ไปแต่จิตใจท่านไม่ได้ทุกข์จิตใจท่านไม่ได้ทุกข์ด้วย เพราะท่านรู้ท่านเข้าใจว่าภาวะอันนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้อกายแต่ถ้าจิตใจเป็นทุกข์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าร่างกายจะสุขสบายสําราญบานใจขนาดไหนก็ตามถ้าหากจิตใจเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับทุกข์หมดทั้งกายทั้งใจเผาหมดทั้งกายทั้งใจนี่แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ให้เรารู้เราเข้าใจอว่าเราหาความสุขความเจริญ ความสําคัญของความสุขความเจริญเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่ใจอเกิดขึ้นที่กายจริงหรือเกิดขึ้นที่วาจาจริงหรืออย้อนดูไปย้อนดูไปก็ที่ใจสุขอยู่ที่ใจอย่างเดียวทุกข์อยู่ที่ใจอย่างเดียวเพราะใจเป็นตัวรู้ใจเป็นผู้รู้โลกนี้ปรากฏขึ้นได้ด้วยใจถ้าเราไม่มีใจแล้วเหมือนอย่างคนตายเนี่ยเอาไปฝังเอาไปเผาเอาไปสับเท่าไหร่ก็ตามเถอะ ร่างกายไม่รู้เรื่องอืมแต่พอสัมผัสสัมพันธ์กับใจอาใจมีใจมาเกี่ยวข้องใจยังครองอยู่ไปแตะไปต้องไปทิ่มไปแทงอะไรตรงไหนนิดหน่อยอืมก็ได้ความเจ็บเข้าไปที่ใจทําไมถึงเจ็บเนื่องจากว่าใจมันยึดใจมันถือนี่เพราะว่าที่เราไม่ได้ยินได้ฟังเพราะว่าที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังนี่คือหลักความจริงทั้งหมดที่เราพูด เป็นความรู้เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ทําให้เรายึดมานึกมาคิดมาหมุนภายในหัวใจของเราเนี่ยเราจะเดินไปตรงนี้อย่างอื่นเรื่องอื่นอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นเรื่องเราที่เราจะต้องวิ่งตามทั้งนั้นแหละเช่นอย่างรูปเนี่ยเราไปสนใจรูปก็คือเราวิ่งตามรูปแหละเสียงเราสนใจเสียงก็เราไปวิ่งตามเสียงเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงอยู่ข้างนอกกายของเราเนี่ยนอกใจของเราเนี่ยเสร็จแล้วใจของเราก็ไปให้ความสําคัญแล้วเราก็วิ่งตาม แท้จริงเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันอยู่นอกกายของเรามันอยู่นอกใจของเราทั้งนั้นอยู่นอกใจของเราทั้งนั้นอแล้วทําไมถึงมาอยู่ในใจของเราได้เนื่องจากว่าเราไปวิ่งไล่มันเราไปสนใจมันเราไปยึดมันเราไปถือมันแล้วก็ดึงมันเข้ามามาเกี่ยวเข้ามาผูกพันปล่อยให้ใจของเราเนี่ยทีนี้ว่าเสพสุขเสีบสุขในสิ่งที่ยินดีในสิ่งที่น่าเพลินใจน่าพอใจ แล้วก็ทุกข์เร้าร้อนในสิ่งที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจในสิ่งที่ผิดหวังในสิ่งที่ไม่สมหวังในสิ่งที่ไม่สมภาคสมภูมิผิดหวังนั่นแหละปรารถนาย่างได้อย่างหนึ่งไม่ได้ตามที่ใจเราหวังวันคืนล่งไปถ้าเรามีความปรารถนาอยู่อย่างนี้เรานั่งกรอบคอยเอาแต่กองทุกข์มาใส่จิตใจเท่านั้นนี่คือจิตที่ไม่ทราบถึงภาวะความเป็นจริงของรู ป, ปธรรมของนางมธรรม พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, น้อมนึกพิจารณามาแล้วประกอบกับการภาวนาของเราทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดพลังเกิดพลังงานที่ใจทำให้ใจได้รับความสงบสงบเป็นขั้นเป็นตอนไปสงบในขั้นกํากับด้วยคำบริกรรมจับอยู่จิตอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็กาหนดไป มีสติกำกับเข้าไปมีสัมผััญญากำกับเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทำความรู้สึกอย่างเนี้ต่อเนื่องเข้าไปจนจิตได้รับความสงบละเอียดแนบแน่นไปเรื่อยๆแนบแน่นไปเรื่อยๆยิงสงบไปเท่าไรจิตก็มีพลังจิตมีพลังก็คือมองย้อนมาที่ดูที่ตัวเองมันทะลุ ป, ปูปลงเห็นนู้นเห็นนี่เห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยเห็นอะไรทั้งหมดเห็นอยู่ที่จิตเราเข้าใจอยู่ที่จิตเห็นอยู่ที่จิตให้ความสําคัญที่จิตน มันไม่ให้ความสําคัญที่อื่นให้ความสําคัญที่จิตจับอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตเข้าใจซักฟอกขัดเกลารอะไรอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละที่แสดงว่าย้อนมาย้อนมาย้อนมาย้อนมาย้อนมาดูมาเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นตัวสมุทัยที่มันแทรกสิงอยู่ภายในนี้ย้อนไปย้อนไปตามไปตามมาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของสมุทัยในเมื่อเราเห็นเหตุเราเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันมันก็พร้อมที่จะดับ เหตุปัจจัยของสมุทัยที่เกิดขึ้นในใจนั้นน่ะพอเราย้อนไปย้อนไปให้ไปเห็นมันมันพร้อมที่จะดับดับการยึดดับการถือดับตัณหาดับความอยากอยากได้อยากดีอ่ะดับทําไมมันถึงดับไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยมันก็ดับเห็นเหตุเห็นปัจจัยมันก็ดับสมมติอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราย้อนมาดูเห็นเหตุไปเห็นปัจจัยของความโกรธเราก็ยอมรับสภาพของเหตุของปัจจัยของมันมันก็ดับ ราคาตันหาเนี่มันพผล่ขึ้นมาที่จิตเนี่ยจิตกำหนัดรักแรอะไรอะไรเราก็ย้อนมาเรื่องที่เป็นเหตุให้มันเกิดควากมกำหนัดย้อนมาที่เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันมันก็ดับคือสติตัวนี้มันจะเป็นตัวมกกากั้นกั้นตัวความอยากนั้นนะไม่ให้มันกำเริบเสบสารลุกลามยืดยาวออกไปข้างหน้าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นตัวมกากั้นกระแสรกระแสของตันหานั่นแหละเพราะสตินี้เป็นเป็นดาบเพชร ที่มีความหมายที่เดียวในการจะต่อสู้ชิงชัยกับข้าศึกศัตรูโดยการฟันด้วยการแทงด้วยการอะไรสารพัดเนี่ยเรากําหนดสติเข้ามากําหนดสัมผััญญะเข้ามาที่จิตของเราเนี่ยความอยากเกิดขึ้นมีสติกําหนดทันเนี่ยความอยากก็ดับเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมันดับลงไปแล้วเราก็ย้อนพิจารณาเหตุเห็นเหตุเห็นปัจจัยเป็นการฝึกซ้อมย้อนไปย้อนไปอโออย่างนี้ย้อนไปย้อนไว้อออย่างนี้ย้อนไปดูเหตุ ย้อนไปดูปัจจัยเหตุปัจจัยของสมุดไทยนั้นนะ่ะมันเป็นสัจธรรมก็จริงอยู่แต่มันเป็นสัจธรรมที่มีเฉพาะกิริยาปฏิกิริยาเท่านั้นมันเป็นอุบายมันเป็นวิธีมันเป็นกลลวงที่เกิดขึ้นทั้งนั้นมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่อาการที่แสดงออกปรากฏขึ้นมาเฮเห็นหพิจารณาทุกเพื่อย้อนไปดูสมุดไทยเห็น ตัวความอยากภายในใจของเราดูเหตุปัจจัยนั้ น, น, นเหตุปัจจัยนี้เหตุปัจจัยส่วนอยากเหตุปัจจัยส่วนละเอียดดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยย้อนหน้าย้อนหลังเป็นการขัดเกลาข้างในนี่แหละคือความมีได้ความเปลี่ยนได้ในการเข้าถึงธรรมเข้าถึงตรงนี้มันเข้าหลักอริยสัจสี่กำหนดทุกย้อนดูส ม, มุทยัยในการที่เราปลุกปล้ำอยู่กับการกําหนดดูทุกทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะด้วยบทของ มัคที่เขาเรียกว่าอริยมัคอริยมัคสติก็อยู่ในนั้นสมาธิก็อยู่ในนั้นปัญญาก็อยู่ในนั้นทํางานประสานกันเป็นอันเดียวกันด้วยความสมัครีกลมเกลียวกันสติอยู่ในนั้นปัญญาอยู่ในนั้นสมาธิอยู่ในนั้นกําลังความเฉลียวฉลาดก็อยู่ในนั้นหมุนเป็นธรรมจักรหมุนเป็นธรรมจักรหมุนไปที่ไหนก็หมุนไปที่ตัวสมุทัยนั่นแหละที่มันจะพึงแทรกเข้ามาที่จิตในขณะที่หมุนอยู่มันแทรกมาไม่ได้มันไม่กล้าแทรกเข้ามา แต่ถ้ายังมีอยู่สักขณะจิตหนึ่งเราเผลอแล้วมันจะแทรกเข้ามาเราเห็นตัวมันเลยทีนี้เราเห็นตัวกองจักรธรรมเนี่ยว่าหมุนชับเข้าไปภาวะเข้ามันมันก็เป็นอย่างนั้นกำลัง ด, ดูให้เห็นภายในใจของเราตามภาวะที่เล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะที่อยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจของเรา เราไม่ต้องไปมองว่าสิ่งนู้นดิบดีวิเศษวิโสที่นู้นที่นี่นั่งหลับตื่นลืมตาแล้วหอบไปนู้นหอบไปนี่เห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ดิบดีวิเศษวิโสสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นนอกนอกใจอ่านอกใจนอกนอกวิถีทางนอกวิธีการวิธีการวิธีการทํายุทธการกับกิเลสอ่ะมันนอกที่เรีทวันนอกสมรภูมินอกใยนอกสมรภูมินอกสนามรบ ถ้าเรามองเห็นแบบนั้นจะพาเราหลงได้ง่ายๆมันนอกสนามรบมาตรงนี้แหละนี่เป็นสนามรบเป็นสนามชิงชัยเป็นสมรภูมิเรามีสุติเรามีสัมชัญญะเราได้ชัยสมรภูมิที่เรียกว่าเป็นสมรภูมิที่เป็นเหตุรบราค่าฟันกันกันกบข่าศึกศัตรูและทําให้เรามีชัยชนะเราหมุนมาตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้ที่เราพูดเรื่องข้างในทั้งหมดข้างนอกเราไม่ได้พูดถึงอืม เราพยายามหัดนึกหัดคิดหมุนเข้ามาข้างในเนี่มันจะเป็นสมบัติของตัวเราเอง เ, อเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเท่าผงธอรีเท่าเมล็ดงาเท่าเม็ดกระโพดเท่าเม็ดพุทราเท่าเม็ดมะม่วงเท่าลูกมะตูมขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือความชนิดชํานาญภายในใจของเราเนี่ที่เราหมุนหมุนเข้ามาข้างในอา่าในเมื่อเราหมุนมาข้างในแล้วเราดูไปข้างนอกมันก็เข้าใจ อะไรที่อยู่ข้างนอกมันเข้าใจถึงไม่เข้าใจมันไม่ใช่หนทางที่เราจะต้องไปจับไปต้องจะต้องไปวิ่งตามอะไรข้างนอกเราควรวิ่งตามข้างในที่มีอยู่ในหัวใจของเราอันนี้เป็นแนวแถวเป็นทางปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเราพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่ย้อนมาดูข้างในไม่รู้ท่านผู้อะไรฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราย้อนมาดูข้างในเนี่ยเราจะขยับได้ขยับได้ตามนั้นตามนั้นตามนั้นตั้งใจทําอา งานหยาบที่เรามีความเกี่ยวข้องกับข้างนอกเราก็พยายามทําตั้งจิตอธิษฐานจะล่อมเข้ามาข้างในะขอสิ่งนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อมรักผลนิพพานหากเรามีความจําเป็นจะต้องทํานู้นทนํานี้ด้วยเหตุที่เราจําเป็นต้องไปซ่อมไปแซมไปปุไปปะไปเสริมไปที่อยู่ที่อาศัยอะไรของเราเนี่ยเราก็น้อมนึกขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อมรักผลนิพพานน้อมย้อนเข้ามาข้างในที่ใจของเราไม่ได้ส่งออกไปที่อื่น ถ้าส่งออกไปอ้อันนั้นก็ยังอันนี้ก็ยังเลยทุกอืทุกว่าจะของไม่ได้ไม่มีเวลาภาวนาแท้จริงถ้าเราย้อนมาเพื่อเป็นเหตุเพื่อเปลี่ยนปัจจัยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบาปมีช่วยส่งเสริมเราช่วยส่งเสริมจิตของเราท่านเรียกว่ารู้จักตักตวงเอารู้จักประยุกต์เอาให้เกิดบุญเกิดกุศลที่ใจงานที่เป็นส่วนส่วนตัวเป็นส่วนขำว่าส่วนตัว ก็คือต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากเพราะว่าส่วนรวมส่วนรวมก็คือตั้งแต่ข้อวัดส่วนที่ละเอียดหน่อยรวมไปถึงข้อวัดที่เราเกี่ยวข้องในความเป็นโยนั่นแหละเพราะว่าส่วนรวมส่วนตัวส่วนรว ม, มส่วนตัวส่วนรวมก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ท่านเราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับท่านคําว่าท่านหมายถึงคนอื่นนอกตัวเราประโยชน์ท่านก็เพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ตนที่เราทำเนี่ยเราเห็นว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ผลคนอื่นก็ได้ผลคือประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคือประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือประโยชน์ตนเราตั้งตนไว้ชอบนึกคิดชอบอะไรชอบทั้งหมดแล้วมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อตนทั้งนั้นน้อมมาตะล่อมมาเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมใจของเราเนี่ยให้ละเอียดให้ประณีตให้เยือกเย็นอ อธิษฐานให้บุญบารมีภายในของเราเนี่ยเจริญ ง, งอกเงยเจริญงาะงามดึงเข้ามามาเพิ่มมาพูนให้ให้มันทวีคูณอยู่ภายในใจของเราเนี่ยอธิษฐานเอาทําอะไรทุกอย่างอธิษฐานเอาเราอธิษฐานเอาเราดูแรงอธิษฐานในใจของเราเราดูแล้วก็ดูแล้วก็ทําแล้วก็พิพจารณาไปให้ให้สุดสายลองดูมันคืออะไรมันเป็นอะไรเราเราพิจรนารณานดูเสร็จแล้วมันจะมาพันกับเพื่อนข้างในเนี่ย เรื่องที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากอะไรตัวใดเป็นหลักของธรรมชาติหลักธรรมชาติหรือปัจจัยการทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องในกายของเราในใจของเราในข้อปฏิบัติของเราเราจะมีความรู้มีความเข้าใจเข้าใจตั้งแต่ส่วนละเอียดอย่างที่เทียบเท่าฟัง่ะเท่าเมล็ดพันประกาศเท่าเมล็ดงาขยายไปเรื่อยเท่าเม็ดนุ่นเท่าเม็ดข้าโพดเท่าเม็ดมะม่วงเท่าเม็ดอะไรเท่าลูกมะตูมเท่าอะไรก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อย ขยายให้เป็นกุศลวิบากตกพลึกเข้ามาที่ใจของเรานี่รวมเป็นบุญทั้งหมดตั้งใจเอาเอาขอานิสัยแล้วก็เลิกละมีไหมใครมีอะไรบ้างเป็นไงต้นหลับไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมได้ยินครึ่งหนึ่งต้นกับอะไรนะต้าต้นกับตากับต้อ นู่นน่ะนั่งข้างๆอยู่นู่นน่ะต้อต้อตำตอเป็นไงต้าต้าในครัวเป็นไงต้านู่นตานู่นต้าในครัวนู่นเป็นต้าเป็นไงตั้งใจภาวนาไหมต้าลิต้าน่ย ตั้งใจนะเรามีเวลาเออเวลาเข้าครัวก็ทําทําอาหารไปนี่ฟังได้พอสิบเปอร์เซนไหมที่พูดได้ฟังเนี่ ย, ไ, ไ, ดยได้ไหมไม่ได้สิบเปอร์เซน ไ, ได้ไหมไเมื่อกี้พูดไปอะไรไพูดอะไรไปบ้างเมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องข้างในนะเนีย่ยพระเราถ้าไม่กําหนดใจตามนี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอก ไม่ได้พูดเรื่องนิทานน้ำชาดกอะไรข้างนอกแหละทุกคนนั่นแหละตั้งใจทำเอาเราอยากได้ดีด้วยกันทุกคนอยากได้บุญอยากได้มรรคอยากได้ผลอยากได้ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแหละพวกเราจึงเสียสละจากบ้านจากช่องมาอยู่เป็นวัดเหมือนกับบ้านใหญ่ครอบครัวใหญ่อีกเนวัดเราีย แตระบบระเบียบอาจจะแตกต่างจากบ้านบ้างมีการพูดคุยธรรมะการสู่กันฟังบ้างมีความเคารพกันมีความยำเกรงกันมีความเคารพกันมีความยำเกรงกันเพื่อให้เป็นไปในแนวแถวเดียวกันคือต้องการความสุขความเจริญต้องการสิ่งดีสิ่งงามสิ่งถูกสิ่งชอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยเหตุด้วยผลเราตั้งออกตั้งใจทํากันต่างคนต่างเสียสละมาเท่านั้น่ะต่างคนต่างคิดจะเอาจะเอาเท่านั้น ตักตวงเอาคุณงามความดีเท่านั้นตั้งใจเอาฟังแต่แต่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องกรรมนะกรรมนะไม่มีใครทําให้เราอะกายกรรมทําเอาเองเมจีกรรมทําเอาเองบ้านโอกรรมทําเอาเองใครลองขัดแย้งปฏิเสธมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งว่าคนนู้นทำคนนู้นให้ทําอันนี้ให้ไม่มีดอกนอกจากเราทําเอาเองเท่านั้นอะไปรับเอาเองอ่ะเขาพูดเขาอะไรนู้นปากเขาพูดนะ่ะดึงออกมาแล้ว ไปรับออกมาแล้วตาไปเห็นกันกนไปรับออกมาแล้วหูไปได้ยินก็นไปรับออกมาแล้วรับเข้ามาที่ใจเนี่ยมาปรุงที่ใจมาต่อเติมเสริมแต่งที่ใจนี่อลองเราไม่รับมานะมันจะมามันจะมาได้ไหมมันไม่มาไม่ได้ดอกการที่เรารับมานั่นแหละเราสร้างกรรมเอาเองอ่ะจบท่นี้แหละเนยแล้วขออนิสัยแลเลิกกัน